เจตโตวิมุตติที่เป็นมหัคคะตเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้หนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหัคคะตอยู่นี้เรียกว่าเจตโตวิมุตติที่เป็นมหัคคะตภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหัคคะตอยู่นี้เรียกว่า เจโตวิมุตติที่เป็นมหคัตภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคัตอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคัตภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคัตอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคัต ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดอาณาจักรหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่นี้เรียกว่า right ir, เจโตวิมุตติที่เป็นมหากตะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดอาณาจักรสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหากตะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ น้อมจิตแผ่ไปตลอดปัตภีซึ่งมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุติที่เป็นมหากตะข้าบดีโดยเหตุผลนี้ท่านก็จะทราบความต่างกันนั้นโดยวิธีที่ทำเหล่านี้มีอัดต่างกันและมีพยัญชนะต่างกัน ประดีการเข้าถึงพบนี้มีสประการการเข้าถึงพสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. นน้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างเล็กน้อยเป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นปริตาภา 2. น้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างหาประมาณมิได้เป็นอารมณ์อยู่ หลังจากตายแล้วจึงเข้าถ <3. S 2> ึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นอัปมานาพา 3. น้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างเศร้าหมองเป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นสังกิริธาพา 4. น้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างบริสุทธิ์เป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นบริสุท ธ, ธาภาการเข้าถึงพบสี่ประการนี้แลมีสมัยที่พวกเทพประชุมร่วมกันเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกัน แต่มีรัศมีไม่ต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษตามประทีปน้ํามันหลายดวงเข้าไปยังเรือนหลังหนึ่งประทีปน้ํามันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันแต่มีแสงสว่างไม่ต่างกันแม้ฉันใดสมัยที่พวกเทพประชุมร่วมกันก็ฉันนั้นเหมือนกันเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันแต่มีรัศมีไม่ต่างกันมีสมัยที่พวกเทพแยกกันประชุม เทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันและมีรัศมีต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษนําประทีปน้ํามันหลายดวงออกจากเรือนหลังนั้นประทีปน้ํามันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันและมีแสงสว่างต่างกันแม้ฉันใดสมัยที่พวกเทพแยกกันประชุมก็ฉันนั้นเหมือนกันเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันและมีรัศมีต่างกัน ข้าบดีเทพเหล่านั้นไม่มีความดำริอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของเราทั้งหลายเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่เทพเหล่านั้นย่อมอภิรม์ในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นเปรียบเหมือนแมลงวันที่ติดไปกับหาบหรือตะกระ้าย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าหาบหรือตะกร้านี้ของเราเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่ว่า มแมลงวันเหล่านั้นย่อมอภิรม์ในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นแม้ฉันใดเทพเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีความคิดอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของเราทั้งหลายเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่เทพเหล่านั้นย่อมอภิรม์ในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นเมื่อท่านพระอนุรุท ธ, ธกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสพิยกัจจานะ ได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าดีละท่านอนุรุทธะผู้เจริญแต่กระผมมีเรื่องจะขอถามให้ยิ่งขึ้นไปในเรื่องนี้ว่าเทพผู้มีรัสมีทั้งหมดนั้นมีรัสมีเล็กน้อยหรือว่าบรรดาเทพเหล่านั้นมีเทพบางพวกมีรัสมีหาประมาณมิได้ท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าท่านกัจจานะโดยองแห่งการเกิดบรรดาเทพเหล่านี้ เทพบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่เทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้ท่านอนุรุทธะผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่เทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้ท่านกัจจานะถ้าเช่นนั้นกระผมจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ ท่านพึงต่อปัญหานั้นตามที่ท่านพอใจท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้หนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้ จิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหกากตจิตตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตตภาวนาของภิกสุสองรูปนี้จิตตภาวนาของภิกสุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปสู่โคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหกากตอยู่นี้เป็นมหกากตจิตตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือภิกษุรูปที่น้อมจิตแพร่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแพร่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหากตะจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้ จิตภาวนาะ uh. ของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่นี้เป็นมหากตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท <nectar> ่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว <fun> <real> ่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสาแห่งว่า เป็นแดนมหากตาอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหากตาจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหาคตาอยู่นี้เป็นมหากตาจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจานะ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิสุรูปที่น้อมจิตแพ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหกตะอยู่กับภิสุรูปที่น้อมจิตแพรไปตลอดมหาอาณาจักรหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิสุสงรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหกตะจิตภาวนายิ่งกว่ากัน บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอานาจาักหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่นี้เป็นมหากตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอานาจาักหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่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 เป็นมหาคตจิตภาวนายิ่ยงกว่าขอรับท่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรสองหรือสแห่งว่าเป็นแดนมหาคตอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาปัตตพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสงรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหน เป็นมหาคตะจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาปตพีมีมหาสมุรเป็นขอบเขตว่าเป็นแดนมหาคตอยู่นี้เป็นมหาคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจานะนี้แหลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้น บางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้ดีละท่านอนุรุทธะพูดเจริญแต่กระผมมีเรื่องจะขอสอบถามให้ยิ่งขึ้นไปในเรื่องนี้ว่า เทพผู้มีรัศมีทั้งหมดนั้นมีรัศมีเศร้ามองหรือว่าบรรดาเทพเหล่านั้นมีเทพบางพวกมีรัสมีบริสุทธิ์ท่านกัจจานะโดยองค์แห่งการเกิดนั้นบรรดาเทพเหล่านี้เทพบางพวกมีรัศมีเศร้ามองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านอนุรุทธะผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจานะถ้าเช่นนั้นกระผมจะทำการเปรียบเทียบแก่ท่านแม้เพราะการเปรียบเทียบวินยูชนบางพวกในโลกนี้จึงรู้ทั่วถึงอัตแห่งพาสิทธิ์ได้เปรียบเหมือนเมื่อประทีบน้ำมันอันบุคคลจุดไฟอยู่ แม้น้ำมันก็ไม่บริสุทธิ์แม้ไส้ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะน้ำมันและไส้ไม่บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นจึงติดไฟอย่างริบรีแม้ชันใดภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแพกสินมีแสงสว่างเศร้าหมองเป็นอารมณ์อยู่ไม่ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีไม่ถอนทีนามิทะให้ดี ไม่กำจัดอุทจักกุกุ จ, จักให้ดีเพราะไม่ระ ง, งับความชั่วยาบทางกายให้ดีไม่ถอนถีนามิทะให้ดีไม่กำจัดอุทจักกุกุจจกให้ดีภิกษุนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างริปรีหลังจากมรณะภาพแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับหมู่เทพผู้มีรัศมีเศร้ามองเปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ามันอันบุคคลจุดไฟอยู่ แม่น้ำมันก็บริสุทธิ์แม้ไส้ก็บริสุทธิ์เพราะน้ำมันและไส้บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นจึงติดไฟอย่างไม่ริบรีแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างบริสุทธิ์เป็นอารมณ์อยู่ระ ง, งับความชั่วหยาบทางกายให้ดีถอนถีนามิทะให้ดีกาจัดอุทจักกุกกุจจะให้ดี เพราะระ ง, งับความชั่วหยาบทางกายให้ดีถอนถีนมิทะให้ดีและกําจัดอุทจักกุกกุจจะให้ดีภิกษุนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างไม่ริบรีหลังจากมรณภาพแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้มีรัสมีบริสุทธิ์ท่านกัจจานะนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้น เทพบางพวกมีรสมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรสมีบริสุทธิ์เมืม่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสพิยกัจจานะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าดีละ ท่านอนุรุทธะผู้เจริญท่านอนุรุทธะไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราได้สดับมาแล้วอย่างนี้หรือว่าควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านอนุรุทธกล่าวว่าเทพเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นบ้างเทพเหล่านั้นเป็นอย่างนี้บ้างท่านผู้เจริญกระผมนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านอนุรุทธะต้องเคยอยู่ร่วมเคยเจรจา และเคยร่วมสนทนากับเทพเหล่านั้นมาเป็นแน่ท่านกัจจานะท่านกล่าววาจานี้เป็นที่น่าเชื่อถือจริงๆแต่กระผมจะตอบท่านบ้างท่านกัจจานะกระผมเคยอยู่ร่วมเคยเจรจาและเคยร่วมสนทนากับเทพเหล่านั้นมานานแล้วเมื่อท่านพระอนุรุท ธ, ธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสพิยกัจจานะได้กล่าวกับช่างไม้ปัญจกังคะว่า ข้าพดีเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วที่ท่านละเหตุแห่งความสงสัยนั้นเสียได้เราทั้งสองจึงได้ฟังธรรมบัญญายนี้ดังนี้แหละอนุรุธทธสูตรที่เจ็จบ ปักิเลสสูตรว่าด้วยอุปปกิเลสข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะโคสิตารามเขตครุงโกสัมพีสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายในครุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดการทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวรโรกาสภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดการทะเลาะเกิดการวิวาทถึงกับใช้หอกเคือปากทิ่มแทงกันอยู่ขอประทานวรโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาภิกษุเหล่านั้นเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดม้างอย่าทะเลาะอย่าขัดแยง้งอย่าวิวาทกันเลย เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นธรรมสามีเจ้าของธรรมโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขลขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดม้างการทะเลาะ การขัดแย้งและการวิวาทนั่นเองพระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็เรียรัดกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแยง้งอย่าวิวาทกันเลยภิกษุรูปนั้นไดีกราบทูลอีกเป็นครั้งที่สองว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นธรรมสามี โปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแยง้งและการวิวาทนั่นเองพระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยภิษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลอีกเป็นครั้งที่สามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นธรรมสามีโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิด ข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแยง้งและการวิวาทนั่นเองพระพุทธเจ้าข่าครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรุงโกสัมพีทรงเที่ยวบินทบาทในกรุงโกสัมพีแล้วเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้ว ทรงเจ็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรประทับยืนอยู่นั่นแหลได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายต่างทรงเสียงดังพร้อมกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็น่านนั้น ไม่มีเลยสักรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแตกกันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นเธอทั้งหลายขาดสติแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตเท้าคารมพูดได้ตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเลาะชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไป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 นี้เป็นธรรมเก่าชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ณที่นี้ส่วนชนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมระ ง, งับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นชนทั้งหลายบันกระดูดฆ่ากันลักทรัพย์คือโคและมา้าช่วงชิงแวนแคว้นกันก็ยังกลับมาคบหากันได้อีก ชนไหนเธอทั้งหลายจึงคบหากันไม่ได้เล่าถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราดครอบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิดถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารี เป็นนักปราดก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแคว้นที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวและเหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโคลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉนั้นการเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐเพราะคุณเครื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพานอันหนึ่งบุคคลควรมีความขนขวายน้อย เที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าพระผู้มีพระภาคประทับยืนตรัสพระคถาเหล่านี้แล้วได้เสด็จเข้าไปยังบ้านภาลกะโลนกาลครามสมัยนั้นท่านพระพะคกตพักอยู่ที่บ้านพาลกะโลนการัามได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้จัดที่ประทับ ตั้งน้ำล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วทรงล้างพระบาทฝ่ายท่านพระพระคุถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระพระคุว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบินทบาตหรือ ท่านพระพะักรกราบทูลว่าข้าพระองค์ยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลําบากด้วยบินทบาทพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านพระพะักตเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วทรงลุกจากพุทธาฏ เสด็จไปยังป่า ป, า, ปาจิ น, นะวังสทายวันสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละพักอยู่ที่ป่า ป, า, ปาจิ น, นะวังสทายวันนายทายบาลผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณนะท่านอย่าเข้าไปในป่านี้เลย ในป่านี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้งสามนั้นเลยท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้บอกนายทัยบาลว่านายทัยบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้ว คั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพีละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบไปกันเถอดท่านรีบไปกันเถิดท่านพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคคือ รูปหนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งปูพุทธาอัดรูปหนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณพุทธอาดที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทแล้วพระเถระทั้งสามรูปนั้นถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอนุรุทธะว่าอนุรุทธะ นันทิยะและกิมพิละเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบินทบาทหรือข้าพระองค์ทั้งหลายยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบินทบาทพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายยังสมัคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือ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 ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อย <to> ู่กับเพื <ına> <to <to <the despair> ่อนพรหมจารีเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจิกรรมอันประกอบด้วยเมตตาและตั้งมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดี เราควรเก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าข้าแม้ท่านพระนันทิยะละถึงแม้ท่านกิมพิละ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจารยเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาและตั้งมั่นมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้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 ข้าพระองค์ทั้งหลายยังสมัครคีกันชื่นชมกันไม่วิวาดกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละอันหนึ่งเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่หรือ ขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระพุทธเจ้าข่าเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างไรขอประทานวโรกาสบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบินทบาทจากบ้านก่อนรูปนั้นย่อมปูราดอาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้ ตั้งถาสำรับไว้รูปใดกลับจากบินทบาตจากบ้านในภายหลังถ้ามีบินทบาต ท, ที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์รูปนั้นเก็บงาอาสนะเก็บน้ําฉันน้ําใช้ล้างถาสำรับเก็บไว้กวาดโรงอาหาร รูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำช้หรือหม้อน้ำชาระว่างเปล่ารูปนั้นก็นำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านข้าพระองค์ทั้งหลายจะกวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกหม้อน้ำฉันหรือหม้อน้ำช้ำชไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ปริปากบน่นเพราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยและข้าพระองค์ทั้งหลาย นั่งสนทนาธรรมมีคถาตลอดเคืนยันรุ่งข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้แหลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเมื่อเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐ อันสา ม, มารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างพาสุขที่เธอทั้งหลายได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือท่านพระอนุรุธทธท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจําแสงสว่างและการเห็นรูปได้ แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงแทงตลอดนิมิตนั้นไม่ได้